ยี่สิบเจ็ดสองพันเจ็ดในโรงแรมการมาถึงดี่อเตลเสด็ต่างกนคุณมีห้องว่างไหมคะ apakah anda memiliki kamar kosong? di ฉันด้จองห้องแล้วค่ะฉัน a s ้ทำการจองห้องแล้วค่ะ s a นได u ทำการจอ k ห้ a งแล s วค่ะฉันได้ทำการจองห้องแ่ด้อค่ะฉันได่ฉัน้องค่ะการห้องด้่ฉัน้องวค่ะการห้องดวค่ะ ต, มม ต, ต, ต้องการห้องคู่ค่ะต้องกมมา ร, การาห้องา ค, าคท่ค่ะต้องกา ร, กมมารดิฉันอ่คกได้อง่มีห้อง้ําค่ะ Saya ingin kamar dengan kamar mandi. ดิฉันอยากได้ห้องที่มีฝักบัวค่ะ Saya ingin kamar dengan pancuran air. ดิฉันขอดูห้องได้ไหมคะ Bisakah saya melihat kamarnya? ที่นี่มีโรงรถไหมคะ apakah ada garage ดิ้นี่ที่นี่มีตู้นิรภัยไหมคะ apakah ada กล่องเด POSIT ดิ้นี่ที่นี่มีเครื่องแปะไหมคะ apakah ada me รื่ fax ดิ้นี่ดีดิฉันเอาห้องนี้ค่ะไป๋กะ s aya ambil kamar itu นี่กุญแจห้องค่ะนี่กุญแจนี่กระเป๋าเดินทางของดิฉันค่ะนี่ของผมบริการอาหารเช้ากี่โมงคะจัม berapa เวลาสำห t u บมื้อเช้า บริการอาหารกลางวันกี่โมงคะ jam berapa w aktu untuk makan siang? บริการอาหารเย็นกี่โมงคะ jam berapa w aktu untuk makan malam?